มาเกิดเนี่ยท่านท่านลงมาอย่างไงตอนที่ท่านจะเข้าท้องบรรดาเนี่ยท่านลงมาอย่างไรดูช้างเออดูหนังใช่ไหมดูหนังพุทธประวใช่ไหมช้างถืออะไรมาใสื่อดอกบั ว, ออบวใช่ไหมไอไอเทพบุตรอะไรนะที่ว่าจุติจากสวรรค์ฉ ด, ดูสิธ์ใช่ไหมชื่ออะไรนะที่ที่มาจุติตเป็นใช่ ใช่สองปีก็ปีสันสันสันตอรดุสิตสันตอรดุสิตใช่ไหมเทวบที่ว่าสันดุสิตสันตอรุสิตมาจากคําว่ายินดีในความสงบเทวบุตรชื่อสันตดุสิตที่ที่มาเข้าท้องนางสีมหาบยามาในทําไมมันรูปของช้างทําไมไม่มาสัตว์อื่นทําไมถึงใช้ช้างช้างถือดอกบัวมาใช่ไหม มาก็พนังฝันช้างถือดอบัวมาปุ๊บเข้าท้องไปเลยถือดอกบัวมากี่ดอกดอกเดียวสอบตกในงานนี้นฮะกี่ดอกพราเวลาไอเราดูหนังใช่ไหมช้างมาดาบัวก็เข้าท้องนางดอกบัวดอกเดียวเนาะดอกเดียวดอกบัวบาดไดยังน่าจะนิสัยงแน่ดอกบวตุดอกบวตูม ถ้าดอกบัวบานเขาท้องไม่ได้ใช่เขาก็ตื่นมาทำไมต้องช้างถือมาทำไมให้ไม่ลิงถือวัวถือควายถือทําไมต้องช้างถือช้างเนี่ยคำว่านาโคเนี่ยเป็นชื่อของสมถะคือสมถะไอสิ่งที่ทําให้เกิดเนี่ยคือสมถะ ในท้องทีนี้มาพนางตั้งครันก็ตั้งครันตั้งทางได้กี่เดือนนะท้าพิสุทคนทั่วไปเก้าเดือน8ดเดือนใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าจะาจะชายฐานี่10เดือนนะท่วนทุสมมาตะท่านใช้คำว่าทุสมาตรสิบเดือนะนะก็มาก็มาเกิดทีนี้ในช่วงที่ตั้งครันนี่ท่านนั่งหรือท่านนอนเหมือนคนทั่วไปไหม ท่านนั่งตลอดใช่ไหมท่านนั่งตลอดแล้วก็มองเห็นกันด้วยนะลูกก็มองเห็นแม่แม่ก็มองเห็นลูกในช่วงนี้ตั้งครรภ์นเนี่ย <laughs> วันนี้วันนี้กินก็กินข้าวกับอะไรนะก็ะคุยกัน <laughs> มองมองเห็นกันตลอดอไม่ต้องมีอุนศาไม่มีไม่ต้องมีอุนศาว <c oughs> อาจารย์ครับ ก็แชร์ครับคือก่อนที่ก่อนที่ท่านจะมาตุติอันนี้เป็นแง่คิดนะเป็นแง่คิดว่าที่ที่ใครบอกว่าอเลือกเกิดไม่ได้ไม่จริงทุกคนเลือกเกิดหมดแล้วเอมมจะต้องอัดด้วยไม่โทษทีทุกคนทุกคนเลือกทุกคนเลือกเกิดอยู่แล้วนะอาตมาก็เลือกเกิดพ่อก็เลือกเกิดโยนทุกคนเลือกเกิดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราไม่ได้เลือกเกิดไม่จริงทุกคนเลือกเกิดพุทธเจ้าก่อนจะมาเกิดเนี่ย ท่านเลือกก่อนฉันใช้คำว่าอะโลเกนะอะไรอาจารย์ห้าข้อจาไม่ได้ใ่ไหมอาวะากุตราอะไรท่านท่านเลือกหนึ่ง อ, อันดับแรกเลยอันดับแรกเลยเลือกแม่ที่มีสินห้าเห็นไห ม, ไมไเลือกแล้วแม่ต้องมีสินห้าอันดับสองต้องเป็นสกุลพราหมณ์หรือกษัตริย์เท่านั้นเพราะาสกุลอื่นเขาจะไม่นับถืออันดับสต้องเกิดในเมืองใหญ่เท่านั้น นะอันดับสี่ต้องเกิดในทวีปใหญ่อันดับห้าอะไรจัน <S <S แต่ไม่ไมจันเป็นอันแรกคือสำคัญที่สุด <c oughs> คือว่าคือที่บอกว่าเลือกแม่ที่มีสินห้าเนมใหญ่เลนะเลือกแม่ที่มีสิน5เพราะนั้นประเด็นตรงนี้จึงเป็นแง่คิดตรงที่ว่ า, อ, อ, ยาอย่างในธรรมบทเนี่ยยงในประไตรปิกเนี่ย <S <S เ, วเวลาเวลาเศรษฐีไม่มีลูก แต่งงานแล้วไม่มีลูกตอนนี้ในครั้งในครั้งนั้นน่ะถ้าเกิดไม่มีลูกตอนตายไปเนี่ยรัฐบาลจะยึดทรัพย์ทั้งหมดเลย<อ>ก็เลยกลัวรัฐบาลยึดทรัพย์<อ>ก็พอดีไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็ไปไหว้ต้นไม้บอกว่าสาธุคิดว่าต้นไม้เนี่ยเขาเรียก ว, วา่าไม ah ่เหสักโขเพราะนั้นต้นไม้ทุกต้ น, ต, นต้นใหญ่เนี่ยม่มีมเหสักโขคือมีเทวดาใหญ่เฝ้าอยู่ท่านบอกสาธุเทวาดาใหญ่ถ้าข้าพาเจ้าได้ลูกข้าพเจ้าจะกลับมาดูแลต้นไม้เสร็จแล้วไปไหนกลับไปบอกแม่บ้านนี่แม่บ้าน วันนี้ฉันไปบนต้นไม้ไว้บนเทวดาไว้ว่าให้มีลูกเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยเธอจงตั้งใจรักษาศินห้าใช่ไหมเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ง่าคิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเราเลือกแล้วนะจะไปโทษใครเลืเลือกผู้ชายหรือเปล่นะครับไม่เฮสโค ต, ต, ต้องเลือกลืกผู้ชายหรือเปล่าไม่ได้เลืกครับ <c oughs> แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> แล้แต่เพราะฉะนั้นเออคือคืออยากจะอยากจะบอกให้ฟังว่าเพราะนั้นเวลา คนคนโบราณน่ะจึงบอกว่าเวลาเวลาจะมีลูกนะพ่อแม่เนี่ยจะต้องจะต้องตั้งใจต้องตั้งต้องตั้งใจรักต้องมีศีลนะจะต้องมีศีลเพราะฉนั้นบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะสัตว์นรกจะมาเกิดด้วยเพราะ้นจะให้นึกถึงทําให้นึกถึงบุตรเจาว่าอ๋อนั่นแสดงว่าเราทุกคนเลือกเลือกมาเกิดเราเลือกแล้วเเลือกพ่อแม่แล้วอาตมาก็เลือกเหมือนกันนะ ดิ่งลงมาเลยนึกว่าทองคำไปเจอก้องฝังกล้องฟงกลางทุ่งนาไม่ใช่บ้านเศรษฐีเป็นบ้านชาวนาก็จริงแล้วตอนนั้นนางสิริมหาวิยารักษาสิ้นแปดใช่ไหมไม่สินห้านอะรักษาสิ้นแปดพอรู้ตั้งท้องก็รักษาสิ้นแปดเลยนะพอรักษาสิ้นแปดแล้วก็ ตอนที่ประสูติมันเป็นเรื่องแปลกนะครับทำไมจะไปไปประสูติกลางป่าบอกว่าตั้งใจว่าตามบทีเวลาจะคลอดคนดียวสมัยนั้นน่ะเป็นธรรมเนียมของพราหมต้องไปเกิดที่บ้านแม่มพระเจ้าวอนที่แม่พระเจ้ารักษาศีลแยังไม่มีศาสนาพุทธเนี่ยครเอสมัยนั้นการรักษาศีลมีทั่วไปแล้วมีมานานแล้วมีมาก่อนศีลเรื่องปกติของทุกศาสนาศีลห้าศีลแปมีมาก่อนแล้ว แต่นี้พอไปคลอดบ้านแม่เนี่ยก็เรเริ่มเดินทางใช่ไหมท้องแก่แล้วมาถึงกลางทางเกิดเกิดเขาอะไรราชาสาวเพระอไงทรงทรงประชวรคันชงประชวรพระครัน <laughs> ชงประชวรพระครันเนจ็บท้องรวมกรรมวาศอะไรต่างๆก็ตรงนั้น้ระหว่างที่ประสูตรต้อนอะไรต้นต้อนอหไต้นหลังต้อนอะไรต้นสาระ ตนสาระต้นลังตายเนี่ต้นลังเนาะต้องเกิดให้ต้นสาระปัสสาวุต้นโพอาจจะสรู้ต้นโพตายต้นไม้ทั้งหมดเลยเกิดก็ได้ต้นโพแต่สรู้ต้นโพตายก็ตายต้นไม้นะตายต้นไม้อันนี้เป็นปริศนานะปริศนาแล้วพอมาถึงตรงนั้นก็เลยเอยังไม่ได้ท่านข้ามฝั่งนะฝั่งนี้ฝั่งจะไปโกเลิยะโกริยวงใช่ไหมสากะยะแควนสากยะจะไปแควนโกริยะเนี่ยยังไม่ทันข้ามโขงเลยวันเดียว ได้คอดฟฝั่งข้างนี้สมมุติประเทศไทยเป็นสากยะแขวนสากยะประเทศลาวเป็นแขวนกุริยะเงี้ยบ้านแม่ผม่อแม่ไปมีแม่แม่ไปคนลาวเนี่พ่อเป็นคนไทยอย่างงี้นะจจะข้ามไปฝั่งข้ามไปฝั่งโขงออไขอดอที่นั่นที่ที่นี้พอปดท้องขอดปั๊บก็เหนียวกิ่งไม้ใช่ไออพอซน้อน้หมาดก็ผ้ามาล้อมตาที่เราเห็นหนังใช่ไหมควอมาล้อมก็พอไปสูดออกมาไปไง เดินได้เจ็ดเดินได้เกิดเลยนะพูดออกมาก็เดินเลยแล้วก็ชี้มือขึ้นบนฟ้าแล้วประกาศว่าไงจําได้ไหมตอนที่พระพุทธเจ้าพูดตอนท่านเกิดจำไม่ได้ครับในแต่ละภาษาไทยอะไรอภิสบะเรว่าอภิสวอภิสวาจจอาหารธรรมวัตถมิโลกสะเศรษฐอาหางธรรมวัตถมิโลกะเสรษเราเป็นพี่ของโลกเราเป็นผู้ ปเปเิดเผยในโลกเป็นพี่ใหญ่ของังาเด้อเขาบอกว่าไก่นี่ถ้ามันกกแล้วถ้าหากตัวไหนออกก่อนตัวนั้นเป็นพี่แต่ว่าคนนี้คนไหนเกิดก่อนตัวนั้นเป็นน้องใช่ไหมฝาแฟดอ่<น> ะ, ะถ้าเกิดเขาอัน ه, นั้นอ่คนไห <ๆ S 2> นออกก่อนออกก่อนเขาเป็นน้องนะเขาบอกว่าพี่เนี่ยถีบหัวน้องออกมาใอ้น้องออกมาก่อนพี่ทามาทีแลพี่จะทำเวลาลูก แสดงว่าคนคนที่จะออกก่อนนี่จริงๆแล้วเป็นเป็นน้องน้องเพราะว่าพี่ต้องตามพี่ต้องดูแลน้องว่าน้องปลอดภัยพี่ถึงจะออกมาคล้ายอย่างนั้นทีนี้ก็ออกมาก็ประกาศไปก่อนนึกูกูจะอยู่ต่อใช่เกิดไม่ออกยุ่งเลยเราอาชีพบอหางธรรมสัมมิโลกาสะเสถทเราเป็นพี่ของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่เกิดอีก ประกศาศนี้นะแล้วก็ขณะที่เดินไปก็ดอกบัวผุดใช่ไหมดอกบัวผุดรับรับรับเจดเก้าถ้าหากว่าเราเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ฝรั่งฟังเนะี่ยมันจะเชื่อไหมไม่เชื่อนะนะแต่ทําไมเรื่องเล่าไว้แบบนี้อะ่น ะ, น, ะนั่นดีเอ้ยงั้นก็ไม่น่าเชื่อถือเพื่อนพิษณุนาทจริงจริงเป็นไงไม่รู้ยงงอย่างั้นเพราะฉะนั้นพุทธวัตรมีสองฉบับฉบับที่เป็น สมมุติการสบัดที่เป็นปรามัดสบัดที่เป็นสมมุตินี่ก็คือแบบชาวบ้านทั่วไปเกิดแบบธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่ที่แท่นเล่าไว้นั้นเล่าเป็นปรามัดเพื่อที่จะเป็นไอการฝังตัวสัจธรรมไว้ในนั้นเขาเรียกพุทธประวัติก็สิทธัะถระวัติสิทธะถวะวัตินี่ไม่มีใครรู้เพราะไม่ได้เล่าเอาไว้แต่ที่เรามารู้คือเล่าเป็นพุทธประวัติประวัติของผู้แต่รู้แล้วอ่ะ สิทธิธาเกิดมาเมื่อเดดเม่อเด็ดรู้ใช่ไหมเพราะนั้นสิทธิปลอดๆนันไม่มีใครรู้แต่อันนี้ที่เรารู้คือพุทธประวัติประวัติของผู้ที่จะรูแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปริศนาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ช้างนะตั้งแต่ช้างว่าคนที่มาเกิดนี่เป็นคนที่มีจิตเป็นสมาธิเพราะช้าง ม, มาีเป็นสัตว์ที่สมาธิสูงมากนะ แล้วก็ถือดอกบัวมาหมายเขาเขาคนที่จะบรรลุธรรมนะหนึ่งจะเป็นคนที่มีจิตเป็นสมาธิสองมีตัวรู้คือดอกบัวถือดอกบัวด้วยมีตัวรู้อยู่ในตัวถ้าช้างไม่ได้ถือดอกบัวหมายเขาว่าคนนั้นมีสมาธิแต่ไม่มีตัวรู้ก็ก็เป็นพราหมณ์จะเป็นพรหมแต่มีสมาธิและมีตัวรู้ด้วยคนนั้นมีโอกาสได้เป็นอริยนะเพิ่นถือตัวรู้มามาเข้าพระคันทําไมชื่อจึงวสิริมหามายา คมจริงแม่จริงๆท่านจะชื่ออะไรไม่รู้แต่ชื่อโดยประมัติคือมหามายาคือคำว่ามายาก็คืออวิชชาใช่ไหมคือหมายเขาว่าจิตของเราเนี่ยมีมายามากใช่ไหมวันหนึ่งแปลงร่างแปลงตัวได้เป็นหมื่นหแสนแอย่างคิดได้เป็นหมื่นๆมืนเรื่องพันเรื่องมีมายาเป็นมิเลอร์เป็น illusion r กรด illusion จิตของเรา The g r a t illusion มหามายาชั้นดีด้วยนะสิริด้วนนั้นเป็น จิตของเราเนี่ยเป็นมายาชั้นเลิศเนี่ยเพราะนั้นตัวพุท ธ, ธาภาวะเนี่ยต้องเกิดในท่ามกลางมายานะเพราะตัวตัวจิตที่เป็นมายาจิตที่เป็นมายามันเป็นมารใช่ไหทีนี้ต้องค้นหาในจิตเนี่ยเบื้องหลังของมายานั่นคืออะไรจึงไปเจอตัวรู้ไงคือพุทธะเพราะนั้นเกิดในท่ามกลางสีมหามายา ก็คือวิชานี่เกิดในท่ามกลางอวิชานั่นเองเพราะนั่นเราต่อสู้กับวิชาใช่ไหมเพื่อจะเจอวิชามันต่อสู้กับความงงความเงาความเบื่อเป็นอะไรเป็นอวิชาใช่ไหมถ้าเราต่อสู้ชนะเนี่ยเราเจอพุทธะไงตลอดเวลาเลยว่าเราต่อสู้ความเผลอต่อสู้ความเพลินความเพลินเป็นอวิชชาเป็นมายาใช่ไหมเป็นมายาพอเจอความจริงของของมันความเผลอมีจริงไหม อ่าถ้ามันมีจริงมันต้องไม่หายตัวสิใช่ไหมเอาเราเชื่อมันปั๊บมันหายตัวเลยใช่ไหมความเพลินเราไปเชื่อปั๊บมันหายเลยใช่ไหมพอมันหายปั๊บเรารู้อ่านี่พุทธะเกิดแล้วแต่ในช่วงที่มันเกิดอยู่เราไม่รู้ตัวมันอาศัยความไม่รู้เกิดพอเรารู้ตัวปั๊บมันหายนี่ก็เรียกว่ามหา Maya นี่เป็นเป็นปริศนาตั้งแต่นู่นเลยเห็นไหมเกิดสิลมหามายาแต่คนที่จะมีที่ คนที่จะเกิดพุทธภาวะได้เนี่ยต้องอย่างน้อยรักษาศินแปดสินแด น, นี่คือมรแปดนั่นเองไม่ใช่สิน5้าคือมรมีองแปดแต่ว่าศินของพุทธภาวะคือคือมรแปดแต่ศินของสมมติก็คือศิน8ดนี่แหละแต่ศินปรมัติคคือมรแปดนั่นเองนะนนเราจะเห็นว่าพุทธประวัติเนี่ยไม่ใช่ศีลประวัติพุทธประวัติคือประวัติของทุทกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ แต่ส่วนใหญ่พอพุทธบวรนึกถึงเจ้าไซทิทธิธาใช่ไหมแต่ความจริงเราทุกคนเนี่ยมีคนไหนมีจิตเป็นสมาธิถ้าสมาธิไม่มีผู้รู้ก็เป็นเกิดไปเป็นพรหมแต่สมาธิถ้ามีผู้รู้ด้วยเกิดเป็นพุทธะเพื่อถึงถือดอกบัวมานหนึ่งดอกต้องถึเกิดท่ามกลางถ้าคนไหนไม่มีอารมณ์ไม่มีจิตยิ่งจิตมีมายามากๆฉะนัคนนั้นมีปัญญามากจิตมันถึงมีมายามากเปนเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมพอเปลี่ยนเป็นสมาธิติดปั๊บมหามายาเป็นมหาปัญญา เขาเรียกมหาปัญญามหาสตินะ่ะมันเปลี่ยนเป็นมหาสติมหาปัญญาทันทีจากมหามายาเนี่ยแต่ต้องหาตัวรู้ให้เจอที่เรามาทํามาทําตัวรู้คือตัววิชาบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอใช่ไหมอ่าทีนี้อ่าพอเกิดมาแล้วเออที่ทําไมมองมองเห็นกันได้ระหว่างแม่กับลูกหมายความว่าระหว่างตัวรู้กับตัวไม่รู้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละมองเห็นกันอยู่แต่เพ้อปับ๊บตัวไม่รู้ปรากฏใช่ไหม พอรู้ตัวปั๊บตัวไม่รู้หายไปตัวรู้ปรากฏมองเห็นกันอยู่มองเห็นหลังมันลายๆไอ้ตัวเมื่อกี้เราง่วงอยู่ใช่ไหมพอเริ่ดถึงตัวเพราะมันหายไปไลายๆนี่แหละมองเห็นกันอยู่ระหว่างผู้รู้ทู่ไม่รู้ถ้าเกิดมาทําไมต้องอพูดด่าหมายเขาว่าตัวคันเนี่ยเป็นชื่อของอวิชชาอาวิชชาคือแม่ใช่ไหมแม่แม่มหามายาคือแม่ อยู่ในคันคื อ, อในภพของแม่คือในอวิชานั่นแหละตัวพุทธก็อยู่ในอวิชามาก่อนตัวรู้อยู่ในตัวไม่รู้มาก่อนแพงแต่อาศัยอะไรเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกผู้หญิงว่าสาวเลยสตรีก็มาจากคาว่าสตินั่นเองเพราะสติเป็นสารสาาาาันสกฤตเขาเรียกผู้หญิงคนหนึ่งว่าสติในตัวอวิชานั้นถ้าคนคนนั้นเป็นสตรี ไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้หญิงกับสตรีคู่ละเรื่องนะผู้หญิงมาจากเข้าอิถีมีความมากมากแต่สตรีนี่มีความเป็นคู่ละเอ็ดอ่อนเป็นคนอรอบคอบเป็นคนมีสติเป็นคนสํารวมระวังเขาเรียกสุภาพสตรีเราเรียกว่าเลดี้จ้ะไม่ใช่ Women วีมน่ะนะเรียกว่าเลดี้วีมนกับเลดี้ต่างกันไงคุณปิง <c oughs> ไม่รู้อ่ <c oughs> <c oughs> วีเมนคืออิถีมีความามากมากแต่ว่าเรดี้หรสตรีเนี่ยเป็นคนระวังนมัดระวังพ่าคนที่เป็นสตรีเป็นคนมัดระวังตัวสำรวมระวังเหมือนสตรีทั่วไปคนนั้นเพราะนั้นสตรีต้องทําให้เกิดมาหาปัญญาการสำรวมระวังนั่นเองจะทําให้เกิดมาหาปัญญาตัวปัญญามากคือการสำรวมระวังก็เกิดเกิดมาแล้วผูด้ได้ไหมายความว่าผู้รู้ <c oughs> นั้น เมื่อเกิดออกจากอวิชชาพอเราออกจากความง่วงความไม่รู้ได้เราึกเป็นไงโปร่งบสบายใช่ไหมจิตเราตั้งจิตเราตื่นตัวละจิตเราโปร่งปล่จิตเราตั้งหมายความจิตเรายืนได้แล้วก็เราก็ประกาศว่าเราจะไม่เผยกีนแล้วจะไม่เผอกันแล้วได้แล้วดอกบัวผุดขึ้นมาเจดเก้า เจ็าทำไมต้องเจ็ดเกามาก็บอกหนึ่งสอมี่ห้าหกเตะโกเข้าบอลเตะบเข้าโกตัวเองเลยมั้งเจ็ดเก็คือพูดชงเจ็ดนั่นเอง9ที่1คืออะไรสติ9ที่2ธรรม 3, วิญญาเกที่3มวิยะเก้าที่4ปีติ9ที่5ปสัสถานิเที่6สมาธิเก้าที่7อุปาจิตที่จะ ก้าวไปถึงตัวสภาวะเนี่ยต้องมีเจอย่างนี่หนึ่งต้องมีสตินะสอต้องวิจัยความจริงที่ปรากฏในตัวเองเป็นสต้องขยันทําขยันวิจัยขยันวิเคราะห์ขยันดูตัวเอง4ก็พอในขณะที่เราวิเคราะห์วิจัยตัวเองในจิตของเราจะสงบจิตของเราจะเบิกบานแล้วก็ตั้งมั่นแล้วก็รู้ซื่อได้เป๋ขาดิพอท่านประกาศนี้แล้วก็ไปสูดได้กี่วันนะหวัน เกิดอะไรขึ้นสามวันก่อนดิสามวันเกิดอะไรจัน ม, มีห้าวันห้าวันตั้งชีพเอ้ยห้าวันอ่าสามวันมีแนะ่สามวันมีมนมอ๋อมไปเฝ้าอสิดาบดอาสิตาดาบทเข้าเฝ้าเข้าเข้าเฝ้าแล้วก็อ่า วันที่ห้าวันเนี่ยคือทำลายทานายมหาบุริสารักษณะใช่ไหมหวันแล้วก็ทํานายอนาคตใช่ไหม <Yes. S 1> แต่สมวันนี่ตั้งชื่อนะศิตาดาบทให้ตั้งชื่อว่าศิทธ า, าแปลว่าต้องการอะไรได้สําเร็จทุกอย่างอะ่ะศิทธาห้าวันนี้ก็เชิญพรามร้อยแปดคนเนี่ยมามาทํานายมหาบุริศารักษณะว่ามันเป็นธรรมเนียมของพรามณ์ว่าบุรุษอย่างเนี้ยคนอย่างเนี้คนยนคนจะเป็นอะไรก็ทํานายกันออกมาเป็นสองนัยยะ ร้อยร้เจ็ดคนเนี่ยทำนายว่าถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้ามหาจากักรพรรดิถ้าออกบทจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ทำนายเป็นพาม์ที่คนหนุ่มที่สุดสมัยนั้นชื่อพามคุณธัญญะทํำนายว่าบุตรคนนี้ต้องออกบทอย่างเดียวไม่ต้องการคลองเรือนร้อยเจ็ดคนนั้นทำนายว่าเป็นสองในยะนะแต่พาม์คุณธัญะขณะนั้นอายุท่าน35สิบห้าเองแต่ตรงที่ได้ฟังธรรมพระเจ้าเรากุณธัญะ พามเดี๋ยวนั้นก็สั่งลูกหลานเอาไว้ว่าถ้าเจ้าชายองนี้ออกบวชเมื่อไรก็ขอให้ออกบวชตามนะทีนี่คุทยะรู้แน่ว่าคนนี้ต้องออกบวชเนี่ยก็เลยคุทยะเริ่มออกบวชก่อนเพื่อนแล้วพวกพัทธยาพระมหานามอาชาชิชเป็นลูกหลานของพามพวกมาทํานายด้วยกันที่สั่งเอาไว้ว่าเ น, นี้ถ้าหกก็เจ้าชายออกบวชให้ออกติดตามนะเพราะยังไงต้องได้บรรลุธรรแน่นอ น, นอก็เลยทำนายทายทักอนาคตมหาปุริศาสนาแปดสิบลักษณะที่จำไม่ได้ว่าอะไรบ้าง ấy. พอเจ็วันเกิด อ, อะไรขึ้นมแม่ตายแม่ตายหมายว่าถ้าเราปฏิบัติครบพุทชงจิตแล้วเนี่ยอวิชามันตายมหามายามันตายอันเองทำไมทั้งเจ็ดวันก็เพื่อให้หลงถ้าเราเข้าใจตามพุทชงจิตแล้วเนี่ยตัวไม่รู้มันจะตายตัวสิริมหามายามันจะตายนั่นหมายถึงความหมายไปอย่างนั้นนะเสร็จแล้วก็หมดเวลานล้ น, นี่ จะสี่ทุ่มแ้เนาะมดบนเวลาเนาะแล้วขอ่ออีกนิดหนึ่งนะว่าเมื่อประสูตรมาแล้วนี่ก็แม่ต้องตายหมายความว่าเมื่อพุทธภาวะเกิดอวิชชาต้องตายอยู่ไม่ได้นะทำไมต้องเจวันด้วยอ่ะทำไมไม่เจ็ดวจเจ็ปีหรือสามวันหวันเจ็วันตายถ้าตายปกติใช่ไหมอันนี้มันต้องมีนัยยะละ 7วันตายหมายความว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยวันอวิชาก็ตายได้นะเสร็จแล้วตรงไหนอีกที่จะเก็บดอกบัวบาลหมายความว่าเป็นเจมีแต่ละรอยก็คือพุท ธ, ธมีสติจิตใจก็จะเบิกบานมี่ทำให้ญกจิใจเบิกบานขึ้นมารองรับคือเราเดินไปไหนคือจิตใจสบายโปล่งเบานี่ยแสว่าคนนั้นมีดอกบแล้วแต่ไม่ใช่ดอกบจริง่งแต่ว่าใจมันบานนั่นเอง อ๋อยังไม่ถึงเวลาตอนนั้นยังอีกไกลยังไม่ถึงตอนนั้นถ้าถึงตอนนั้นจะเล่าให้ฟังนะอีกไกลอยู่คืนนี้จะจบหรือเปล่าดูถ้าไมถึงตอนนั้นสงสัยจะไม่จบเป็นตอนนี้เรามีข้อคำถาว่าอบรมโบสามเหล่าโบสี่เหล่อ๋ท่านในพระไตรปิฎกท่านว่าไว้สามเหล่าแต่อีกเหล่าหนึ่งท่านมาว่าไว้ในวิสุทธิมรรคที่หลังมันก็มีอยู่สองที่เกจีอาจารย์ว่าสี่เหล่าแต่ว่าพระไตรปิฎกว่าสามเหล่าคือ เขาเรียกอุคติจันยูวิปปิจันยูนัยยะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านเรียกเวนัยยะสัตว์ท่านท่านไม่ได้เรียกว่าปรมาสัตว์เขาเรียกปรธาปรมาไม่มีปรธาปรมาแต่ว่าในเกจิอาจารย์ท่านเติมปรธาปรมาขึ้นมาอีกเหล่าหนึ่งอุคติจันยูวิปปิจันยูนัยยะปรธาปรมะแต่ความจริงประโยคมีแค่นัยยะหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยมันมีตัวรู้อยู่ทุกคน ที่จะสอนได้สอนให้รู้ตัวได้ทุกคนแต่ว่ามันจะเอามาเอาหรือไม่เรื่องอีกอันนึง่งท่านเลยบัญญัติว่าคนที่มีตัวรู้สอนแล้วให้ตัวรู้ไม่เอาพระเรียวปัททะป ร, ะประมะคือปทัททะประมะนี้ไม่ใช่คนโง่นะปะททะไปว่าบุบาทประมะไปว่ามากที่สุดคนรู้มากมีเหตุผลมากคนฉลาดมากเกินไปก็เอาไม่ได้คนโง่มากเกินไปก็เอาไม่ได้ตัวนีตน้ต้องเป็นกลางกลางหมายความว่า พอจะลดฉลาดมากก็ลดออกมาได้โง่มากก็ฉลาดขึ้นได้อย่างเงี้ยเอาได้นะบวชอะไรนะบวชเตาถุยบวเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าบวชใต้อะไรนะบวใต้ใต้คนกรีดเออบวชใต้คนกรีดพระธาตะกรีดเตากินถุยที่ยวเตาถุยบัวชใต้คนกีดนะเพราะฉะนั้นก็บัวเกี่ยวข้องกับประวัติของผู้ได้เส้าเยอะก็เนื่องจากว่าเป็นตัวรู้นั่นเองอันเป็นสัญลักษณ์ของตัวรู้ ว่าตัวรู้ที่ยังไม่บานก็คือสติเพื่อบานแล้วก็คือปัญญานะเพราะนั้นคนที่เข้มแข็งถือดอกบัวมาดอกบัวจึงไม่บานไงดอกบัวตพมาะถือว่ามีสติทุกมีตัวรู้ทุกคนและตัวรู้นีจะบานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าได้รับแสงอาทิตย์เมื่อไหร่เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ก็บานแสงอาทิตย์หมายถึงคำสอนของพุทธเจ้าอันนี้ก็ประวัติยอ่อๆแค่นี้พอเนาะก็ขออนุโนาสาธุ ที่ให้เราได้ยินได้ฟังต่อเพื่อเสื่อมให้สมบูรณ์ให้เกิดปัญญาด้วยการทุกคนทุกคนทุกท่านที่